เราทุกคนก็คงรู้วันเกิดแต่มีสักกี่คนที่รู้วันตายก่อนทุกอย่างคงฉันจะสายเกินไปแม้รไรดีๆมีไม่เท่าไรแต่จะขอใช้สักวัน มไม่ค่อยรักดีวันนี้ฉันยังไม่รักเธอคำว่ารักเธอจากปากของฉันไป ก่นจะหาไปมันจีแล้วว่ามันดีทำว่ารักเธอถึงที่ออกจากหัวใจก่อนที่ฉันตายคงไม่ได้พูดทำนี้